16. มงคลสูตรวงเล็บเปิด 26. ตุลาคม2551เในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเมื่อวานไปเทศที่บ้านคุณหญิงเป็นวันเกิดคุณหญิงบอกแม้เป็นวันมงคลเราเลยฉวยโอกาสได้ยินคำว่ามงคลเลยเทศเรื่องในเครื่องหมายคำพูดมงคล38เริ่มต้นเลยคือไม่ครบคนพานให้ครบบันดิต อันนั้นก็ธรรมดามันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ใจนี่สบายที่จะปฏิบัติเสร็จแล้วเราต้องมีขันติความอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นต่อความรู้ใหม่ๆพวกเรายิ่งชอบเข้าวัดด้วยบางทีทนไม่ไหวคนที่ทําให้คนทนไม่ไหวมากที่สุดก็หลวงพ่อนี่แหละเพราะหลวงพ่อพูดแบบซื่อก็ภาวนามาผิดจะให้เราชมนี่ชมไม่ออกบางคนบอกหลวงพ่อทําไมไม่ชมหนูไม่ด่าหนูก็บุญแล้วยังจะให้ชมอีกภาวนาไม่ได้เรื่อง เราอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องอดทนนะมีขันติอดทนอดกลั้นที่จะต้องฟังอะไรซึ่งมันขัดแย้งกับความเชื่อเก่าๆแล้วก็ต้องมีอีกข้อหนึ่งชื่อโสวจัสตาไม่ใช่โสรจจะนะโสวจัสตาแปลว่าต้องเปิดใจกว้างเปิดใจกว้างที่จะฟังอะไรใหม่ๆได้ต้องอดทนที่จะฟังของใหม่ๆต้องใจกว้างที่จะฟังของใหม่ๆถ้าเมื่ อ, อไหร่เรามีความอดทนก็พร้อมที่จะเรียน ในมงคล38ข้อนี่หลวงพ่อพูดให้ฟัง12ข้อท้ายถ้าเรามีความอดทนอดกลั้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เราเปิดใจกว้างที่จะรู้สิ่งใหม่มงคลข้อต่อไปคือการได้เห็นสมณะทำไมถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นถ้ามีใจที่คับแคบปิดล็อกอยู่ไม่เห็นสมณะเห็นไม่ได้หรอกสมณะที่ไหนก็ไม่ปรากฏให้เห็นอย่านึกว่าเห็นด้วยตานะต้องเห็นด้วยใจเราก็เห็นเหมือนเห็นพระสมมติอย่างนี้เรียกพระสมมติ เห็นพระสมมุติยังไม่เรียกเห็นสมณะแต่ถ้าใจเราพร้อมที่จะรับธรรมะนี่ธรรมะก็จะถ่ายทอดออกมาเราถึงจะรู้ว่าโอ้นี่สมณะจริงๆอยู่ตรงนี้เองถ้าคนใจแคบก็ไม่รู้จักสมณะหรอกถึงมองเห็นก็ไม่รู้จักหรอกไม่เรียกว่าเห็นสมณะถ้าคนไหนเปิดใจกว้างรับธรรมะได้ถึงจะเห็นว่านี่สมณะจริงๆเมื่อพบสมณะแล้วมงคลข้อต่อไปก็คือการได้สนทนาธรรมตามการ วัดนี้ใช้การสนทนารู้สึกไหมเทศนให้ฟังนิดหน่อยนะส่วนมากก็คุยกันสนทนาตามการทําไมไม่คุยทั้งวันถ้าคุยทั้งวันนะอัปมงคลท่านบอกสนทนาตามการเป็นมงคลชั่วครั้งชั่วคราวสนทนาเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้วิธีปฏิบัติที่นี้พอรู้วิธีปฏิบัติก่อนจะลงมือปฏิบัตินี่ต้องมีตะบะในสติปัฏฐานใช้คําว่าในเครื่องหมายคําพูดอาตาปี ตะบะนี่ไม่ได้แปลว่าต้องไปย่างกิเลสแบบโน้นแบบนี้หรอกหลวงพ่อชอบคำแปลของท่านเจ้าคุณประยุทธ์ในวงเล็บปจุดอจุดประยุทธ์โตท่านแปลคำว่าตะบะว่า simple life ฟังแล้วรู้เรื่องใช่ไหมแปลเป็นไทยรู้เรื่องไหมส่วนที่แปลว่าแผดเผากิเลสฟังไม่ออกเลยท่านแปล ง, ง่ายๆบอกมันเป็น simple life คือชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตที่เรียบง่ายเป็นอย่างไรชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่ไม่ตามใจกิเลสไม่ใช่วันวันหนึ่งสนองแต่กิเลสสนองแต่ตัณหาการที่เรามีชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ตามใจกิเลสนั่นแหละเรียกว่าบําเพ็ญตบะบางทีคำศัพท์จากภาษาบาลีนะเราอ่านภาษาบาลีเข้าใจดีไปอ่านภาษาฝรั่งก็รู้เรื่องดีพออ่านภาษาไทยที่เราแปลกันมานานแล้วแปลแล้วไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเลยคําว่าพุทโธนี่พุทโธ คนไทยแปลว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทโธพระพุทธเจ้าคําว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคําแปลเลยเราเติมคําว่าพระเข้าไปหน้าพุทโธแล้วเห็นท่านเป็นกษัตริย์เลยเติมคําว่าเจ้าไว้ข้างหลังเลยเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าศัพท์เดิมคือพุทธะไม่ได้แปลแต่ถ้าเราเข้าใจคําบาลีเราจะทราบซึ้งกว่ากันเยอะพุทธะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม หรือบางทีนะแปลตะบะว่าแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนฟังแล้วไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พอได้ยินว่าซิมเ l ิลไลฟ์ง่ายแล้วใช่ไหมนี่เป็นมงคลข้อหนึ่งนะการดำารงชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้วิ่งตามความอยากตลอดเวลากิเลสมันผลักดันขึ้นมาเราไม่ตามใจมันเรามีชีวิตที่พอเหมาะพอดีคนอย่างนี้ภาวนาง่ายมงคลข้อต่อไปคือการประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์สาหรับคาวาตกับของพระก็ยังต่างกัน พระประพฤติแบบพรมทุกสิ่งทุกอย่างพรมไม่มีคู่พรมไม่มีเพศพรมไม่ใช่ผู้ชายพรมไม่มีเพศเราชอบโมเมว่าพรมเป็นผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเป็นคนแต่งตำราเลยกดขี่สิทธิสตีนี่ถูกริตรอนจริงๆพรมไม่มีเพศทีนี้พระก็ประพฤติแบบคนไร้เพศมีแต่รูปธรรมกับนามธรรมาและปฏิบัติธรรมไปคารวาดประพฤติพรหมจรรย์ก็คือลงมือปฏิบัติธรรมนี่แหละ ศีล ส, สมาธิปัญญาทำไปเรื่อยๆเมื่อลงมือปฏิบัติทำแล้วจะได้มงคลข้อต่อไปคือรู้แจ้งอริยสัจคนที่รู้แจ้งอริยสัจจริงๆต้องเป็นพระอาหารหันต์แล้วพอรู้แจ้งอริยสัจทันทีที่รู้แจ้งอริยสัจก็จะเจอมงคลข้อต่อไปคือประจักษ์ถึงนิพพานเมื่อจิตเข้าถึงสภาวะแห่งนิพพานภาวนาจนทำลายอาวิชชาไปก็มีวิชาคือรู้แจ้งอริยสัจไปรู้นิพพาน มงคลถัดมาก็จะเกิดขึ้นเองอันแรกเลยก็คือจิตจะไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงเพราะผัสสะฉะนั้นพระอาหารหันต์นี่จิตจะไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงเพราะผัสสะใดๆทั้งสิ้นเลยจิตเข้าถึงความไม่เศร้าโศกนี่เป็นมงคลอีกข้อหนึ่งพวกเรายังเศร้าโศกอยู่จิตเข้าถึงความไม่มีทุลีไม่มีกิเลสเจือปนไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งได้อีกเรียกว่าวิราชังต่อมาคือจิตกเกษมจิตกเกษมแปลว่าปลอดภัย ปลอดภัยเพราะอะไรเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสาระอย่างแท้จริงฉะนั้นถ้าพวกเราอยากให้ชีวิตของเรามีมงคลขั้นแรกเลยนะอย่าตามใจกิเลสฟังทำไปแล้วก็อย่าตามใจกิเลสหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจให้มากๆรู้กายรู้ใจไปนั่นแหละจะทำให้แจ้งอริยสัจเพราะอริยสัจข้อแรกคือทุขสัจจะทุขสัจจะคือรูปกับนามคือกายกับใจนั่นเองเรารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจบ่อย รู้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงของกายของใจดังนั้นพอรู้แจ้งอริยสัจก็เห็นนิพพานเห็นนิพพานแล้วใจนี้ก็พ้นจากสิ่งปรุงแต่งสิ่งย้อมไม่มีอะไรย้อมจิตได้จิตไม่กระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงสิ่งไม่ดีมากระทบก็ไม่ทําให้จิตเศร้าโศกขึ้นมาไม่มีกระทั่งฝุ่นละอองเล็กๆน้อยๆของกิเลส ท, ที่จะปรุงแต่งจิตได้นี่เรียกว่าจิตปราศจากทุลีจิตมีที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรยัย ถ้าพูดอย่างรวบยอดนะพระรัตนตรัยจริงๆคืออะไรพระรัตนตรัยจริงๆคือธรรมะเท่านั้นเองฉะนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านคิดว่าท่านควรจะมีอะไรเป็นสารณะเห็นไหมพระพุทธเจ้ายังมีสารณะเลยท่านถึงเกษมไงปลอดภัยนะ่ะท่านเอาธรรมะเป็นสารณะเมื่อก่อนตอนภาวนาใหม่ๆหรือยังภาวนาไม่เป็นเรายังไม่เข้าใจหรอกเอาธรรมะเป็นสารณะ เป็นได้อย่างไรเราคิดได้แต่ตื้นตื้นเราคิดว่าถ้าเรามีศีลมีธรรมอยู่เราก็ถูกน้อยๆเราคิดอย่างนั้นหลวงพ่อเคยงงด้วยซ้ําไปธรรมะมีเป็นตู้ตู้เลยจะเอามาเป็นสารณะได้อย่างไรธรรมแท้ซึ่งเมื่อเรารู้แจ้งนิพพานแล้วเราเข้าไปประจักษ์นะคือตัวนิพพานเรารู้แจ้งอริยสัจแล้วเราประจักษ์นิพพานภาวะของนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่เป็นหนึ่งจริงๆไม่มีสอง ใจที่เราทรงธรรมที่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองนั่นแหละก็เป็นใจที่เป็นหนึ่งไม่เป็นใจที่เป็นสองเหมือนกันจิตมันมีที่พึ่งที่อาศัยคือมันมีธรรมแต่มันไม่ได้ยึดถือธรรมแต่อาศัยธรรมอยู่ในธรรมนี้จิตซึ่งทรงธรรมอยู่นี้ไม่มีความทุกข์ใดๆจะแพร่ผ่านได้เลยอันนี้เทศเผื่อๆนะเผื่อบางคนภาวนาไปอีกหลายๆปีจะใช้หรือบางคนภาวนาไปชาติหน้าจะใช้บางคนอีกหลายๆชาติจะใช้หลวงพ่อเทศธรรมมให้ฟัง เทศด้วยใจนะฉะนั้นถึงบอกว่าเราต้องเปิดใจกว้างถ้าเปิดใจกว้างธรรมะที่ถ่ายทอดจากใจมันจะแทรกซึมไปอยู่ในใจเราเองวันหนึ่งที่เราภาวนาไปนะติดขัดอะไรขึ้นมานี่ธรรมะที่หลวงพ่อสอนไปมันจะขึ้นมาบอกเราเองเพราะฉะนั้นหลายคนไปภาวนาที่โน่นที่นี่เกิดติดขัดขึ้นมานะเหมือนหลวงพ่อบอกให้แก้ปัญหาของเราไปได้